มิทาเรื่องที่22พระเจ้าตรีวิกรมเสนเดินกลับมายังต้นอโศกแล้วดึงเอาร่างของเวตาลลงมาพาดบาของพระองค์เมื่อพระองค์กำลังเดินกลับมาทางเดิมเวตาลก็เอ่ยยั่วยุขึ้นอีกว่าเย้ย้ยท่านราชาข้ามีนิทานเรื่องที่สนุกและตื่นเต้นกว่าเรื่องที่ผ่านมาสักอีกข้าจะเล่าให้ท่านฟังแก้เบื่อกันแล้วกันนะ พระเจ้าตรีวิกรมเสนไม่ตอบอะไรแต่แต่นิ่งฟังนิทานจากเวตาลในครั้งอดีตการณ์นะเมืองปาตาลิบุตรซึ่งเป็นถินที่อยู่ของพวกครามณนะเมืองแห่งนี้มีอยู่ครอบครัวหนึ่งผู้เป็นพ่อและแม่ได้เสียชีวิตลงเหลือเพียงบุตรชายสี่คนซึ่งทั้งหมดได้เติบโตเป็นหนุ่มและกำลังอยู่ระหว่างศึกษาพระเวทเมื่อพ่อและแม่จากไปทรัพ ส, สมบัติทั้งหมด ถูกญาติมิตรโกงจนหมดสิ้นพราหม์ทั้งสี่จึงได้ออกเดินทางเพื่อไปขออาศัยอยู่กับลุงซึ่งเป็นญาติทางแม่ที่อาศัยอยู่อีกเมืองหนึง่งในที่สุดพราหมณ์ี่คนพี่น้องได้มาอาศัยอยู่กับลุงแต่ทั้งสี่ไม่ได้คิดที่จะช่วยทํามาหากินแม้แต่น้อยวันๆได้แต่ศึกษาพระเวทสร้างความเอื้อเอร่าให้แก่ผู้เป็นลุงอย่างมากจนในที่สุดผู้เป็นลุงได้งดเลี้ยงอาหารแก่พราหมงพี่น้องทั้ง4 ทั้งสี่จึงต่างพากันปรึกษาถึงทางออกของชีวิตในเมื่อลุงไม่เลี้ยงดูเราแล้วพวกเราก็เร่ร่อนไปตามทางของเรากันเถอะข้าคิดว่าไหนๆถ้าเราต้องเร่ร่อนกันไปแล้วเราควรแยกกันไปคนละทางเพื่อหาประสบการณ์หากเรายังก่อกันไปแบบเนี้ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกข้าก็เห็นด้วยนะข้าก็เช่นกันวันรุ่งขึ้นทั้งสี่คนต่างแยกย้ายกันไปคนละทิศ โดยได้กำหนดวันและเวลาและสถานที่ที่จะมาพบเจอกันอีกครั้งในการต่อมาพอถึงกำหนดที่ทั้งสี่คนพี่น้องจะมาเจอกันเมื่อทั้งสี่ได้มาพบกันตาก็สอบถามสารทุกสุกดิบโดยพราหมณ์คนโตได้กล่าวว่าข้าได้เรียนรู้วิชามายาศาสตร์คือสามารถเสกให้กระดูกของสัตว์ชนิดใดก็ตามที่พบเกิดมีเนื้อของสัตว์ชนิดนั้นขึ้นมาได้ด้วย ส่วนข้ากเกษตรให้เกิดหนังและเส้นขนของสัตว์ได้เพียงแต่พบเนื้อและกระดูกของสัตว์นั้นหากาพบหนังและขนของสัตว์นั้นข้าสามารถเสกให้มีแขนและขาของมันขึ้นมาได้เมื่อข้าพบกระดูกเนื้อนหนังและแขนขาครบถ้วนข้าก็สามารถชุบชีวิตสัตว์ตัว น, นั้นได้จากนั้นทั้งสี่จึงเดินทางเข้ามาเพื่อสอหาโครงกระดูกสัตว์เพื่อ น, นํามาทดลองวิชา และได้พบกับโครงกระดูกสัตว์ตัวหนึ่งโดยหารู้ไม่ว่านั่นคือกระดูกของสิงโตทั้งสี่ต่างช่วยกันรายเวทมนต์จนเสร็จสิ้นประท่านร่างสิงโตปรากฏขึ้นและได้ไล่กัดกินสี่คนพี่น้องจนเสียชีวิตหมดทุกคนท่านราชาท่านคิดว่าผู้ใดผิดที่สร้างสิงโตนี้ขึ้นมาหากท่านรู้แล้วไม่ตอบ ท่านรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นจืเฮ้ hey, เจ้าผีตัวนี้นี่ช่างเจ้าเล่หคอยหลอกล่อให้ข้าพูดแล้วก็ถือโอกาสหนีไปตามเคยละสิแต่เธอจะบอกก็ได้ว่าความผิดครั้งเนี้เป็นของพรามคนที่สี่นะเพราะสามคนแรกเนี่ยทําไปด้วยความไม่รู้ว่าสัตว์นั้นน่ะคือสัตว์ชนิดใดจึงทําไปเพราะความเขลาที่ไม่รู้แต่คนที่สี่นี่สิ เห็นแล้วว่าเป็นสัตว์ชนิดใดเมื่อรู้แล้วยังทำผิดอีกดังนั้นเนี่ยพรามคนที่สี่จึงเป็นคนผิดที่ไปชุบชีวิตสิงโตจนมาร่าชีวิตคนทั้งหมดไปท่านช่างฉลาดเฉลียวยิ่งกว่าข้าแต่ท่านรู้ตัวหรือไม่ท่านได้พูดออกมานั่นหมายความว่าข้าต้องกลับไปที่ตนอสอกอีกแล้วแล้วท่นก็ต้องตามข้ากลับไปอีกแววด้วย เมื่อพระเจ้าตรีวิกรมเสนตอบคำถามดังนั้นเวตานก็ฉวยโอกาสหายวับไปกับตากลับไปแขวนอยู่บนต้นสกอีกคนเราถ้าทำผิดเพราะไม่รู้เป็นสิ่งที่น่าให้อภัยแต่ถ้ารู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ถูกต้องแต่ยังถือปฏิบัติสมควรที่จะได้รับการลงโทษ